ทางพุทธศาสนาคือมีการไปรชุมของพุทธศาสนิกชนส่วนพระท่านก็มีการปรวารณาท่าที่จะมรษามาสิ้นไตรมาสสามเดือนแล้วก็จะต้องปวารณาออกพรรษาเป็นวันวันนี้เป็นวันทั้งพันปกติธรรมดาพุทธศาสนิกชนจะต้องพากันฟังธรรมเทศนา เพื่อการบูชาพระพุทธธรรมประสงค์เรียกว่าปฏิปฏิบูชานอกจากนั้นอีกบางคนผู้มีความสามารถจะต้องปฏิบัติบูชาด้วยการทำกรร ม, มฐานตลอดคืนรุ่งเป็นปกติอย่างนี้ทำกันมาส่วนมากอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาความสามารถของบุคคลผู้ที่จะทำได้ คือการปฏิบัติดันเอาตามศรัทธาไม่ใช่ใช้บังคับเราศรัทธาแล้วเราบังคับเราเองคนอื่นบังคับไม่ดีบุญกุศลจะกลายเป็นของคนอื่นไปเสเหมือนเราใช้สัตว์อาหานะงวควายมันลากล้อลากเปียนอย่างนี้ผลประโยชน์ได้กับเจ้าของผู้ใช้งวควายมันแล้วไม่ได้อะไรเลย ยังมีน้ำซ้ำเวลามันตายแล้วไปกินเนื้อมันเสียซ้ำไม่ค่อยได้ไประโยชน์เท่าไหร่ดอกเพราะถ้าถ้าหากตนเองบังคับตนเองนั้นแล้วเกิดศรัทธาแล้วบังคับตนเองดีมากหากจะไม่ได้ผลในด้านปฏิบัติก็เรียกว่าได้ผลในด้านที่เราทรมานจิตใจของเราคือเราบังคับใจของเราได้ธรรมาเทศนาที่จะแสดงวันนี้ก่อ พอดีก็เป็นวันสรุปธรรมะที่แสดงมาตลอดครรษานคงจะพากระจำได้ถึงเรื่องเทศมาถึงจำไม่ได้หมดก็พอจะรู้เป็นคร่าวๆทบทวนเพื่อให้จำได้อีกพอเป็นคร่าวๆ้สักหน่อยคือธรรมะที่แสดงมาในครรษานี้นั่นระจําวันพระทุกวันทุกวันนั้น ต้องการอยากจะให้เข้าใจนักแน่นในด้านปฏิบัติมากกว่าอื่นไกลทั้งหมดพราะการปฏิบัตินั่นเป็นหลักสําคัญของพุทธศาสนาผู้นับถือพุทธศาสนาท่าห่างยังนั่นถึงธรรมปฏิบัติคือหัดอบรมจิตใจด้านกรรมฐานแล้วเรียกว่ายังไม่ทันมั่นคงการนับถือพุทธศาสนา เช่นการทําทานจิตใจงอนเงีนคอนแขวนไม่นักแน่ชั่แต่หากว่ามีคนใดคนหนึ่งมาชักชวนไปทางใดทางหนึ่งมากอยากจะหลมเหลวไปตามคือชัว่วานั้นต้องการบุญต้องการกุศลปรารถนาอยากจะได้บุญกุศลจริงอยู่คนที่เห็นจริงและเชื่อมัน่นในรักทำคำสอนใ น, นยังไม่ทันถึงก่อนได้แง่ในนิดเดียว แพงเพียงว่าเชื่อในบุญเชื่อกุศลเชื่อบุญเชื่อกุศลการทำ บ, บุญทำทานการรักษาศีลก็อีกแง่หนึ่งของการนับถือพุทธศาสนาการงดเว้นที่จากโทษนันนั้นก็นับว่าเป็นของดีอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าถึงจิตใจ ก, เกจใจ็เกิดที่จิตใจเกิดที่จิตใจเหมือนกัน ถ้าจิตใจมาห น, น, น, นักแน่นแล้วสินก็ไม่หนักแน่นเหมือนกันท่านเัียวกว่าเจตนาหังพิกฆเวชีรังวทานีเจตนาเป็นตัวศินก็หมายความถึงตัวดีเนี่ยตัวจิตดีๆนี่นเอเจตนาก็ดีเห็นนะเพียงจะว่ารักษาศินคือกายรักษาวาจาแรักษากายงี้ว่าทางหนักแน่นถ้าหากว่ามาได้หัดสมาธิจิตใจเข้า ถึงสมาธิได้จริงๆจริจังแล้วสิ้นมารวมอยู่ในที่นั้นหมดสมาธิเป็นที่รวมของบุญกุศลทานก็มารวมที่นั้นสิ้นก็มารวมที่นั้นเห็นนั้นถ้าหากหัด ส, สมาธิได้แล้วนั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงหลักแก่นของพุทธศาสนาจิตใจเป็นของสําผัสเชื่อตนเองเนี่พุ่หัดภาวนาทาธรรมที่เชื่อตนเอง ทำทานถ้าหากว่าจิตใจเข้าถึงสมาธิภาวนาแล้วไม่ต้องมีคนอื่ น, นบังคับมีน้อยมีมากทานน้อยทานมากทานโดยความเลื่อมใสใจจริงทานเพื่อสละเพื่อผลประโยชน์โดยแท้เพื่อผลประโยชน์ด้านจิตใจโดยแท้ ไม่ได้ทำบุญทำทานเพื่อการแลกเปลี่ยนการทำทานเบื้องต้น น, นถ้ายัางไม่ถึงสมาธิภาวนาคล้ายๆก็จะเป็นทานในการแลกเปลี่ยนที่ทำไปถึง จ, จิตใจเปลี่ยนยังไงแลกเปลี่ยนยังไงอย่างที่พากันเห็นเหงียนอยู่ทั่วไปบางคนต้องการชื่อเสียงกิติยศอยางคนงนี้ยมนับถือหรือเพื่อประโยชน์ในการค่าหาเสียง ทำบุญทำทานอย่างพวกคุณเหนช่วยสงเคราะห์ทำบุญวัดนันวันนี้เพื่อหาเสียงนี่เป็นต้นอันเนี้เพียงทําทานนี่ไม่ได้เข้าถึงศีลถ้าหาว่าเข้าถึงศีล น, นะคะ่ะนี่จิตใจยังหนักแน่งขึ้นไปตรงนั้นอีกไม่ใช่ว่าจะเพียงว่าจะทานนะทานศีลก็เป็นทานในตัวอยู่แล้วทานคือสละความชั่วทานความชั่ว เห็นควมชั่วเกิดมีที่ตัวของตนโดยเฉพาะมดเว้นจากควมชั่วกับเหมือนไอ้ก็เรียกว่าสละความชั่วทานความชั่วหากจะมีปัญหาะทานให้ใครละไม่ได้ทานให้ใครดอกความชั่วนั้นทางมีอยู่ในโลกอันนี้คนเราก็ไม่ได้มีใครปลูกปังให้เกิดขึ้นในะควมชั่วคือโทษสิทโทษห้าโทษแปดประการ แต่ว่าคนเราเกิดขึ้นมาหากรนมากอบโกยพวกชั่วคือโทษหาโทษแปลกประการ<อ>เห็นนั้นเราจะละคืนไว้นี่แหละกองอยู่ในโลกอันนี้แหละเราไม่ต้องเอาไปด้วยเราต้องการความบริสุทธิ์เหตนการรักษาศีล น, นั้นถ้าหากว่า<อ>เห็นความจริงในใจของตนคือเชื่อมั่นว่าบาปเกิดขึ้นติดตัวของตนแล้ว รักษาศินได้ง่ายสบายนี่มันเข้ามาภายในเข้ามาอีกแล้วนี่อย่างเรียกว่าเจตนาเป็นต really ัวสินถ้าเรารักษาสมาธิคือหัดอบรมภาวนาทําสมาธิแต่จิตใจในี่นักแน่นพระทุกทีเห็นชัดเลยทีเดียวเห็นคุณค่าพุทธศาสนายจะชัดเจนแล้วก็เชื่อในธรรมทั้งสองพุทธเจ้าอ่ะทั้งสองพุทธเจ้านี่เป็นนิยานีิการธรรม นำผู้ปฏิบัติให้ออกจากความชั่วได้จริงจกันแังละมองคืนไปข้างหลังมองได้ถนัดเลยทำทานก็ละทวงที่จหนีเนื้อแน่นมีจิตอบอ้อมอารีเผื่อแผ่โก่งขวงรักษาเซนก็ยิ่งทอนเจเจจากการเบียดเบียนอิจฉาศยาชึ่นกันละกันเนื่อประการต่างๆนี่มันไปอย่างนี้เรื่องภาวนา เห็นชัดภายในเลยงั้นแล้วคราวนี้ว่าถึงเรื่องการภาวนาโดยมากจริงวะต้องการอยากจะเน้นถึงเรื่องภาวนาโดยส่วนมากที่เทศนามาในพรรานี้เบื้องต้นก็เริ่มทั้งตัวของเราคือพูดถึงเรื่องธาตุสี่ขันธ์ฮาอายุตนะเป็น้ล ำ, ำดับมาคราวนี้จะพูดสรุปตอนนี้น่ะว่าธาตุสี่ขันธ์ฮาอายตนะนั้น เป็นที่ตั้งของกรรมฐานคือความสงบก็ได้เป็นที่ตั้งของอภิษฐานก็ได้ที่ตั้งของสมถะคืออะไรคือเรามากํำนด์เอาที่ธาตุสี่ขันธ์นี่เรียกพิสดารเอาไปก็เรียกว่าเกษินก็ได้อ น, นาปาสสติก็ธาตุสี่ขันธ์ว่านาสติก็อยู่ธาตุสี่ขันธ์อสุภะ ก็อยู่ในธาตุสี่ขันหาเรามากําหนดเอานี่เป็นอารมณ์ให้เป็นสมถะคือจิตสงบแห่งพิจารณามองอยู่ในเรื่องธาตุสี่ขันหาแต่ก็ว่าธาตุสี่ขันหานี้นั่นเราเอามาเป็นอารมณ์ของสมถะก็จริงแหะแต่ปัญญาก็มีอยู่ในนั้นปัญญากับสมถะอยู่ในที่เดียวกัน แต่ที่อธิบายที่ว่าเป็นที่ตั้งของสมถะในปัสนานีเพื่อใอธิบายเป็นต่อไปเขาไม่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่เหมือนกันเราเพง่งพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างเดียวในธาตุสี่ขันหะอย่างเดียวไม่มีการคิดนึกอะไรมากมายอย่างว่าเราเห็นตัวของเราเป็นของแตกดับแล้วมันจิตมันตกหลอยวางถึงเรื่องอารมณ์ภายนอกถ้าอะไรมันยังค่อย ปล่อยวางภายนอกคนเรามันถือตัวยึดถือตนถือตัวค่อยเห็นในการแตกดับของสังขารร่างกายคือตัวของเราสิ่งอื่นมันก็ปล่อยวางหมดถ้าตัวของเราไม่มีแกนสารแล้วสิ่งอื่นมันจะมีแกนสารอะไรมันก็สงบได้อย่างเราพิจารณาเห็นสุภาษในร่างกายของตนเห็นเป็นของปฏิกลุน เบื่อน่าโสกโกรไปทั่วทุกแห่งทั้งหมดแต่ก่อนเราถือว่าเป็นของดีของดีเมื่อเราถือว่าของเราเป็นของดิบของดีของสดสวยงดงามแล้วมันก็จะต้องถือตนถือตัวคันถือตนถือตัวตนดิบตนดีตัวิเศษวิโส อ, อยู่เงินกันเยียดหยามดูถูกคนอื่นเราสู้ตนไม่ได้ครั้ น, นี้พอไปเห็นสุภาพเกิดขึ้นมาโอ้โหยไม่ใช่ของดิบของดีอะไรเลยเหมือนต้องกองปฏิโโกูลโสกโกรกจริงๆ น่าเกลียดจริงๆพอมันเห็นเป็นของน่าเกลียดที่กุญสอกอลก็มาปล่อยปุ๊บเลยคล้ายๆกันก็นกนว่าเราไปจับโอเประมาเปลี่ยบมันก็นว่าเราไปยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของไม่ดีเอาสมมุติกันง่ายๆแหละเราไปได้หอหนึ่งห่อของดิบดีทีเดียวเขาผูกเขาติดข้างตีผนึกกาไอกาตีผนึกติบดีทีเดียว ห อ, อนั้นตกอยู่กลางทางแล้วเห็นก็เข้าใจเป็นของดีขอนดีพอได้ก็แบกวิ่งเลยวิ่งจันเข้าถึงบ้านเลยนึกว่าของนันมันต้องมีราคาแน่นอนทีเดียวพอมาถึงบ้านแม้จะเปิดก็ไม่อยากเปิดในที่แจ้งเสียดักเสียซ้ําเข้าไปในห้องในที่รับบางทีคนในบ้านก็อาจจะไม่อยากเห็นไม่ไม่อยากให้เห็นให้รู้ด้วยไปเปิดคนเดียวเลย เขาจะเปิดขึ้นที่ไหนได้เป็นของปฏิกริยโศกโศกซเลยสมมุติเราเป็นหนูเน่าสักตัวนูนกเป่าอยู่ในหนหน่อนั่นโอ้โหมันน่าเกลียดน่ากลัวซะจริงแล้วก็เห็นคว่ำเหลวไหลของตนอีกคว่ำถือของตนน่ะถือผิดถนัดทีเดียวหลงผิดถนัดทีเดียวอย่างนี้แหละเป็นตนเราถือตัวของเราก็ะเห็ น, นั้นไวนกัน พอเราเห็นว่าตัวของเราเป็นของปฏิคูณโสโคกแล้วมันก็ปล่อยวางสละกและอายตนเองเพราะละอายพรไม่ถือทิฐิมานะถือตนแต่ตัวจิ้มมันก็สงบตรงอันนี้เรียกว่าธาตุสี่คือกายของเราเป็นที่ตั้งของสมถะอันนี้ธาตุสี่คือตัวของเรานี่ยแหละเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาและกานี้มันก็ไปทำนองเดียวกันนั่นแหะ เห็นอันนี้เป็นก้อนทุกข์แต่ก่อนเราเข้าใจว่าได้ก้อนนี้ก็ดีจริงๆจุก ง, ง, งดีเข้าใจเป็งของดีของดีเลยสนุกสุขสบายใหญ่โตาฐานมีตาก็ไว้สําหรับดูสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นคุณค่าของตาในเสน่ห์เสน่หนะ์ว่าเป็นของดีมีค่าไปเสริญยิ่งที่สุดนี่หูก็ได้ฟังสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเพระสนทุกประการเข้ามาสู่หูทางนั้น เราไม่ต้องไปยืมหูคนอื่นหูของเราเต็มที่บริบูรณ์ใช้ได้เต็มที่บริบูรณ์เลยเรายังเชื่อมั่นในหูของตนว่าตนได้ของดิบของดีเจ้าโมกก็เช่นนั้นเหมือนกันลื่นก็เชนั้นเหมือนกันถ้ามีลื่นลองดูสิมีรถอาหารอะไรต่างๆจะเป็นของดิบของดีจะรู้ได้ไง่ายอันนี้เรามีลื่นพาะส่วนตัวของเราอาหารทุกชนิดไม่ต้องไปถามคนอื่น คนอื่นเขพูดก็ไม่เชื่อจะ ต, ต้องชิมด้วยตนเองจึงจะถนัดใจได้ชิมด้วยตนเองแล้วแม่มันถนัดได้จริงอย่างใครว่าก็ไม่ไม่เชื่อเลยค่ะนี้เชื่อตัวเองเถอะแล้ถือลิ้นถือกายถือใจแล้วถือถนัดชัดเจนอย่างนี้อ่ะคราวนี้เราพิจารณาเลยค่ะนี้กายของเราเนี่ยมันสุขจริงหรือมันเกิดปัญญาขึ้นมา วัดเดียวเท่านั้นกายเป็นของปฏิปุรเปื่อยเน่าแล้วยังไม่เห็นแล้วกายจะต้องเป็นผละตัวของเราคือธาตุสี่จะต้องเป็นผละเราเลี้ยงดูปูเสือทุก ป, ประการนอกจากนั้นเราอกะใจมันทุกประการนะมันยังไม่เอาใจเราอีกสซะซ้ำมันทําให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ให้เจ็บให้ปวดมีตาขอเจ็บต า, บตาบมีหูก็เจ็บหู ไม่จะหมวกมีเลี่ยนไม่กลายทุกสิ่งทุกอย่างมีโครคภัยประจําอยู่ไนนั้นมีมือก็เจ็บมือนิ้วมือแต่ละนิ้วนี่มันยังมีโรคประจําอยู่ไนนั้นยิ่งมีมากแสดไปยิ่งทุกข์มากมันเลยไม่ใช่ของสุขจะและ้วมันกลายเป็นของทุกขทั้งหมดทล้วไม่เห็นเช่นนี้เขาแล้วเราจะรู้สึกน่าเบื่อหน่ายในความทุกข์ของตนในร่างกายของตนเอง พฤกของมันไม่เที่ยงมันแปลสภาพออกไปเสมอคำว่าทุกข์ทุกขนะ์น่นคือว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองท่านเจ้าเรี้ยงมันมันแปลสภาพไป น, นั่นท่านจะว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนได้ยากก็ที่จะทนได้ยากกับเพราะมันไม่อยู่คงที่เราต้องทนต่อสู้มันอยู่ทุกขณะเนี่ยสู้ซักเท่าไรเท่าไหร่มันก็เอาชนะไม่ได้สู้จนวันตายที่ในผลที่สุด เรายอมแพทยจนวันตายเมื่อเราไม่เห็นของไม่เที่ยงมันทนด้วยทรมานด้วยของไม่เที่ยงอย่างนี้เราก็จะเห็นไปว่าเอออันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่อํานาจวิสัยของเรานี่ยมันได้อยู่บังคับของเราสักนิดเดียวหนึ่งแล้วหลงถือว่าเป็นตัวตนวของเรามาแต่ น, นมแต่ น, นานมาป่านนี้ยังค่อยรู้ตั ว, วอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแท้ทีเดียว นอกจากมันจะทำให้เราเกิดความลำคาญเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วมันไม่ใช่ของเราเซยําเราเป็นงมถือว่าเป็นของเราของเราอยู่ตลอดเวลาเห็นความเหลวไหลและความโง่ของตนความหลงของตนชัดขึ้นมามันก็ปล่อยวางลงไปได้ความปล่อยวางยอมสละลงไปอย่างนี้จิตใจเห็นชัดตามเป็นจริงจิตใจก็ป่องายปลอดโปร่งความไม่ยึดไม่ถือ มันก็เป็นตัวปัญญาเห็นช mm ัดแจ้งเรียกว่าวิปัสนาคือไม่ได้ถามคนอื่นเห็นชัดแจ้งในตนเองไม่ได้ถามคนอื่นไม่ได้เชื Banana ่อคนอื่นเรียกว่าว <|so|> ิปัสนาจึงว่ากายก้อนนี้เป็นที่ตั้งของวิปัสนาอันนี้แยกเป็นเรื่องพูดพูดถเรื่องธาตุสี่เป็นที่ตั้งของสมถะธาตุสี่เป็นที่ตั้งของวิปัสนา อันนี้พูดเข้าใจกันทั่วไปสำหรับความจริงแล้วนันปัญญาก็ปะปนก็อยู่กับสมถะสมถะกัปะบปะปนอยู่กับปัญญาดังที่อธิบายให้ฟังมาในเบื้องตน้นถ้าหากคนช่างคิดช่างจับเอาเรื่องเล น, นั้นมาพิจารณาเราจะเห็นชัดว่าการพิจนารณาเห็น สังขารร่างกายของตนเป็นของปฏิกูเปเลื่อเนา่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็เป็นตัวปัญญาพัฒนาอยู่แล้วเห็นการปฏิกูลของปฏิกูลสโครปเยื่เนาไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวมันก็เป็นวิปัสนาอยู่แล้วอันนี้การที่เราเห็นชัดอย่างนั้นอ่ะจิตมันปล่อยวางมันจิตมันสงบมันก็เป็นตัวสมถะอยู่แล้ว พูดกันง่ายๆอย่างหนึ่งว่าถ้าปัญญาไม่มีทำสมถะไม่ได้สมธะไม่มีไม่เกิดปัญญานี่มันอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้พวพระเดชเจ้าเนี่เทศนาว่าผู้มีไม่มีฌานไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาไม่มีฌานนี่มีหลากกีายอย่างนี้ฌานกับปัญญาจึงว่าเป็นคู่กันไปอยู่ตลอดเวลา ที่อธิบายแยกกับเป็นส่วนเบื้องต้นนั้นเพื่อไม่ให้พัวพันกันเพื่อจะได้จำได้ง่ายแต่ถ้าผู้มีปัญญาแหลมเข้าไปน่ะไปจับเอาที่ท่านอธแดงนั้นมันไปพร้อมกันทั้งสองอย่างเห็นนั้นจึงว่าวันนี้จึงว่าเป็นการสรุปรวบที่เทะทางมดนั่นตั้งแต่ต้นท่าสี่ขั้นหายตระนที่แสดงมานั้นเพื่อให้มารวมลงไปได้ว่า ต้องการจะเอาเป็นที่ตั้งของสมถดิ ป, ปัฒนานะให้เข้าใจตรงนี้เมื่อสรุปรวมเจความแล้วว่ากายของเรานั้นเป็นพระธรรมเป็นพระคำพีใหญ่คือว่ามีรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าธรรมขันธ์หรือขันธทาตท่าสีเรียกว่ า, รร ท, า, ท, า, วาท่าดิพัท ท่านแสดงว่าคัมภีท่าดิพัทคือจำแนกเจีย๊ยคาดขันห้าเรียกว่าธรรมขันขันห้าระการอายตระนัตวิพัทท่านแจกจำแนกตาหูจมูกออกไปเป็นอาการในการเรียกว่าอายุตระนัตวิพัทจำแนกแจกอายตระนัไม่ได้จำแนกแจกที่อื่นถึงว่าตัวของเราเป็นก้อนพระคัมภีใหญ่โตถ้าหากคนใด แบกพระคัมภีร์นี่ไว้ไม่เอามาอ่านเราก็จะเป็นคนงโง่อยู่ตลอดการเวลาเรียวกว่ามีโมหะวิชาคุ้มครอบความอย่ถ้าคนใดเอาคัมภีร์นี่มาอ่านแล้วจะแตกฉานในพระคัมภีร์นี้คือพระธรรมคัมภีร์พระเจ้ า, ามีบรรจุอันนี้ครบหมดบริบูรณ์พระธรรมคัมภีร์พระเจ้ า, าคู่ที่ไม่มีปัญญา อ่านพระคำภีร์นี้ไม่ได้ท่านเรียกว่าโมพะคือค้นหลงเรียกว่าคำภี์เปล่าผู้มีคำภีร์เปล่าคือว่าไม่ได้คือ่าไม่อ่านไม่ได้นั่นเองที่จริงมันมีอยู่ละคำพีนี้มีธรรมะอยู่หละแต่ว่ามันเปล่าเพราะเหตุที่เราอ่านไม่ได้มันไร้ประโยชน์ไม่ให้เกิดประโยชน์แก่เราตัวของเราเจ้าของพักกันแบกคำภีรอยู่ตลอดวันตลอดคืน ขึ้นเหนือล่องใต้เข้าป่าเข้าลกเข้าวัดเข้าวาเข้าบ้านเข้าจ่องถ้ากันแบกคัมภีรคนละคไรคำพีคำพีพาคพัมภีรนี่ลงน้ําดําน้ําทอดแห่หาปลากเอาคมภี์ของพุฏิเจ้านี่แหละเอาไปทอดเข้าป่าหายิงเนื้อหยิงหาลาเนื้อลาสัตว์ก็คัมภี์เนี่ยไปหาลาเนื้อลาสัตว์เข้าบ้านเขาช่องไปทํามาค่าขายให้อยู่หากินก็คำพีเนี่ยไปแดกคัมภีเนี่ยไป เข้าวัดเขาวาฟังเทศฟังธรรมก็คมพีเนี้ยไปฟังเอาคำพี์เนี้ยไปฟังพระทันเทศเอาไปเทียบดูกับที่ทานเทศให้ฟังคัมภีร์ของเราที Sabbath ่เราอ่านนั้นมันยังไม่ทันถูกต้องตรงไหนเอาไปทานสอบทบทวนดูที่ทานเทศสนาให้ฟังเราเข้าวัดขวาแล้วเอาคำพีเนี้ยไปไปทบทวนดูสอบทานกับที่ทันเทศให้ฟังถ้ามันถูกเราก็ยังได้ภูมิใจอ๋อเราอ่านไม่ผิด ไม่ถูกพระองค์ยังผิดตรงนั้นนั่นท่าแนะนํนาใหา้แล้วก็จะได้อ่านนันถูกเราได้จดจำไว้ต่อไปพระพุทธเจ้าทั้งคนคว้าในพระธรรมคําสองพระพุทธเจ้าที่แสดงให้พวกเราฟัางนี่ไม่ได้คนที่อื่นแต่คนที่ตัวตนของพระองค์เองกิเลสทั้งหลายอยู่ในตั ว, วองค์นั่น้ามไปตามไปคน้นใงตัวกิเลสเห็นชัดตาเป็นจริงความโลภมันเกิดจากอะไรความหลงความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากอะไร ถ้าไปรู้จักต้นต่อมูลเหตุของความ โ, โรคปวดหลงแล้วท่านก็นมีอุบายแก้ความ โ, โรคปวดหลงนะให้มันหมดสิ้นไปไม่ใช่ซักแต่ว่ารู้เฉยบางคนรู้รู้แต่ว่าไม่รู้จักต้นต่อเขามาัรู้จักต้นต่อแต่ว่าแก้ไม่ได้ส่วนพระพุทธเจ้าไว้เป็นอย่างนั้นรู้จักต้นต่อของกิเลสรู้จักกิเลสแก็รู้จักต้นต่อของกิเลส แล้วก็ห า, าวิธีแก้กิเลสนั้นะจนให้รุ่ง่วงไปได้จนหมดสิ้นไปได้พระพุทธเจ้ายังมีความกล้าหาญสามารถทุกสิ่งทุกประการนั้อาจหารเรียกว่าวิสารทะแก้วกล้าพูดโดยไม่มีเกีร์ขามเลยในถ้ากลางบริษัทไม่ว่าบริษัทใดจะเป็นคนชั้นไหนภูมิไหนขนาดชั้นราชามหากษัตริย์สูงแสนสูงท่านไปเห็นความจริงถึงเรื่องกิเลสมีเสมอภาคกันทั้งหมดนะท่านกล้าพูดได้ โดยไม่เกรงใจใครๆเลยจะชักตัว อ, อย่างให้เห็นเช่นว่าความโกโรธมันเกิดความโกโรธเนี่ยรู้จักทุกคนเนี่ยโกโรธเนี่รู้รู้กันดีทุกคนมันโกโรธมาจากอะไรนี่เราไม่ได้สอบสวนเข้าไปค้นคว้าเข้าไหาต้นตอขอมโกรธความโกโรธ ม, มันเกิดมาจากความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจใน สิ่งใดในบุคคลใดมันก็โกรธขึ้นมามันโกรธไม่พอใจแล้วมันก็เกิดความโผนนัดคือความน้อยใจคันความโกรธในที่มันพอใจแล้วความโผมนัเกิดกึ้นเพราะอะไรโคดลงไปเข้าไปหามันเห็นแก่ตัวเหมือนกันนะโคดลงไปไปเห็นแก่ตัวคือมันเข้าตัวใช่วางไม่ลงคันเมื่อวางไม่ลงคันนี้ก็ เมื่อไม่ถูกใจของเราค่เกิดความน้อยใจแล้วเกิดขมโกรธขึ้นมาในต้นของอมันผลไม่อย่างนั้นต้นของขมโกรธครั้นี้เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้นแล้วเราจะทํายังไงเราจะต้องวางให้มันเสมอตัวลงไปคือว่าอย่าให้มันเข้าตัวอย่าให้มันเห็นแก่ตัวคือว่าเห็นสภาพของมนุษย์สัตว์ให้เสมอภาพกันหมด อย่างที่เทศทังเรื่องธาตุสี่คนแล้วไม่มีอะไรหรอกมีเพียงธาตุสี่เท่านั้นนะไม่ใช่ตนตัวไม่ใช่มนุษย์สักบุคคลตัวตัองเขาสักแต่ว่าธาตเป็นเจ้จักว่าธาตุประทัมอัหนึ่งเท่านั้นนี่ไม่ถือตัวละครไม่ถือตัวมันวางไม่ถือตัวแล้วมันก็สบายอันนี้หาว่าเขาจะมาพูดเราทั้งเรื่องเหยียดหยามดูถูกทั้งเรื่องร่างกายอยันนี้ว่าตนาตัวของเราเนี่ยนะที่เรานืถ้ถือถือคิดถืออยู่นี่เพราจะถือว่าสัตว์ตัวหนึ่งล่ะ เขาพูดว่าสัตว์ซึ่งเขาเทียบใส่หมูหมูหมาก็ดีงัวควายก็ดีเราก็ไม่ใช่หมูหมางูมันก็สัตว์มันก็ก้อนดินก่อนหนึ่งธาตุสี่เหมือนกันพู้ที่เขาพูดเขาก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันแล้วอะไรจะไปเครียดไปโกรธมันจะเกิดความยิจฉาเลียสิยามาจากไหนมันจะเกิดความไม่พอใจม่มีมาจากไหนมันไม่มีแหละมันเห็นเป็นธาตุสี่เสมอภาพกันหมดมันก็สบายอันนี้อความ ใจเราไปยึดนึ่งเขาก็ยึดของเขาเราก็ยึดของเราการยึดจะมาได้อะไรอย่างเราไปยึดธาตุสี่มันก็ไม่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเปล่าทั้งนั้นเนี่เรายึดมันต้องยึดแต่เป็นของเราแต่ธาตุสี่แท้ๆไม่ใช่ของเราท้องอยู่ในโลกอนี่อันความยึดเนี่ยมันก็ว่างมันก็ปล่อยหายไปครั้นี้ที่เขายึดเนี่ยก็เหมือนกับเรายึดเหมือนกันที่เขามาว่าให้เราน่ะคือเขาไม่พอใจเลยเขาอิจฉาที่เสียดระการต่างๆ เขาวหวแล้วก็เหมือนกับเรายึดเราเห็นเราปล่อยความยึดเราไม่ยึดไม่ถือแล้วเราไม่เห็นเขายึดคราวนี้มันชัดเจงไว้ให้หัวเระาะเลยคราวนี้แล้วเขสบายใจนี่วิธีแก้ความโกรธเกิดขึ้นเราแก้ อ, อย่างนี้เรียกว่าเห็นตัวโกรธความโกรธแล้วก็เห็นมูลของความโกรธแล้วก็แก้ความโกรธไ ด, ดน้นี่พระพุทธเจ้าท่าน กล้าหาญพูดอย่างนี้เลยเทศนาโดยไม่เกรงใจใครเลยรู้ต้นตอแล้วก็รู้วิธีแก้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้มากๆนั้นไม่เป็นปัญหาดอกเทศมากฟังมากก็ไม่เป็ น, ป, นปัญหาหรอกมันเป็นปัญหาสําคัญที่สุดก็คือความรู้แล้วหาวาจัยแก้มันรู้ว่าไม่ดีแล้วก็หาวายแก้สิ่งที่ไม่ดีนะ ถ้ามันหมดสิ้นไปถ้าเห็นว่ามันดีแล้วสิ่งใดมันดีแล้วก็พยายามสร้างสมคมดีนั่นไม่ฟังกันมากไปตองเรียนกันมากหรอกเอาเถอะอะไรก็เอาถ้าแก้ได้ใช้ได้ทั้งนั้นน่ะสร้างสมมาเกิดมีขึ้นในใช้ได้นั้นมันกลงกันข้ามอย่างอธิบายเมติกีนี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วละเลยละแล้วก็สบายใจ แล้วก็รักษาความสบายใจนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมทามอย่ามันเสื่อมคลายไปความสุขนั้นเกิดมาเป็นของเรา น, นั้นเรียกว่าเราอ่านพระธรรมคสอนของพระเจ้าได้ ค, คําคิดพีของพระเจ้าเลยมีประโยชน์เยียงว่าวันนี้เทศสรุปรวมรวมพระธรรมที่กระจัดกระจายกันมาที่แสดงมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบนั้นเป็นการเป็นกันแนั้นมันมันยังกระจัดกระจายกันอยู่ ตอนนี้มารวมแห่งเดีดให้มันเป็นพระธรรมอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องไปส่งไปหาพระธรรมคําสอนในที่อื่นทำในตัวของเรานี่ครอบูลุมปิบัติหมดระวังความคิดอาจจะมีแวกแนวไปมันมักมีคือบางคนนะ่ะมันแหลมไปอีกแหลมมันก็ไม่แหลมไม่เข้าทางนะมันแหลมแหวกออกไปข้างนอกเลย ตัวตนคนเรานี่มันเป็นธาตุสีหรอกใครจะด่าจะว่าไงกว่าช่างมันธาตุสีหรอใครจะทุบจะต่อยก็ตามมันตัวเนี้จะไปทุบไปต่อยใครก็ช่างหัวมันธาตุสดอกไม่ได้อีกเลยแบบมันก็ไม่ถูกเลยตามลําพังมันไม่ได้กิ้งไปเองเลยธาตุสีนี่คนน่ยมันมีตัวใจด้บังคับมันไปจะไปลักขโมยของเขาไปชกไปต่อยเขาก็ธาตุสีหอกมันมีบาปมีบุญอันนี้ไปใหญ่ด้ ทิฏฐิลึกในทิฏฐิแบบนี้เท็ดชักจะบอเป็นธาตุสี่ห้าสัตว์ต่อชีวิตกับธาตุสี่เป็นของขาลักชอโกงขโมยของเข า, า, เขากับธาตุสี่เป็นคนไปรักประพฤติแม้ที่สุดประพฤติผิดไม่ช่จานครบสู้ ส, สูลูกสู่เมียเขาขหรือสู่ลูกผัวเขาก็ได้วยประการต่างๆก็ธาตุสี่เราเลยไม่มีบาปมีบุญแบบนี้ไม่ได้มันเลยขอบเขตไปถ้าหากว่าไม่มีตัวจิต มันไปไม่ได้ธาตุสี่ก็นี้ไม่เหมือนก้อนอิดนี่อย่าก้อนอิดเนี่ยมันไม่เป็นบาปเป็นบุญจริงล่ะคนอื่นเดี๋ยวไปป่าหัวคนใครก็ตามเถอะก้อนอิดไม่ได้เป็นบาปหรอกไม่ได้ติดคุกติดตราด้วยก้อนอิดคนพูดดังหานะคนอาก้อนอิดไปป่าทังหาคนนั่นเนาะเป็นบาปคนนั่นเนาะความทําชั่วอย่าก้อนอิดก้อนนียก้อนอดินก้อนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่มีใครปรปเอาไปปา่านี่ตัวใจมันไปป่าเขาเนี่ย เกใจดีบังคับเขาเหตุนั้นตัวใจนี่มันพร้อมกันอยู่ในตัวในธาตุสีนะจึงว่าธาตุสี่เพียงธาตุสี่อันเดียวลราทาประโยชน์อะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากายของเราเพียงแต่ธาตุสท่านสอนเพื่อว่าให้รู้จักก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดซักแต่ว่าธาตุสเฉยๆเพื่อจะให้ละการพิจารณาตัวคราน น, น, นี้ แสดงต่อมีขันห้าเอาจิตเข้ามารวมอิถ้าตสี่ตรงนี้จะดีจะชัว่วมันต้องมันต้องมีนามะธรรมอีกถ้าตสี่เพียงเธอรูปประามไม่เฉยไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยอย่างดินธรรมดานี้ถ้าหากว่ามีคนไปทําหม้อทําไห้แล้วไม่ไปทําก้อนอิฐมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ไม่มีคุณค่าใดเลยจะจับจองก็กว้องเซนกว้องเธเท่าไหรก็ตามเถอดถ้าคนไม่ไปซับสัง่งไม่คนไป ปลูฝังอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ประโยชน์อันนั้นมันต้องมีอีกคนหนึ่งธาตุสี่คือตัวของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันต้องมีนามธรรมอีกคือตัววิญญาณเข้าไปครองในที่นั้นแล้วยึงจะมาปรุงธาตุสี่นี่แหละให้ทําความดีให้ทําความชั่วเดวประการต่างๆให้เกิดคุณงามความดีขึ้นนะให้เกิดความชั่วขึ้น อาศัยธาตุไอ้อาศัยตัวจิตตัวนี้จิตคือตัววิญญาณตัวนี้เป็นประธานแล้วค่ะนี่เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมามารู้สึกเมื่อเกิดเวทนาเกิดเวทนามื่เกิดสัญญาคือดความจาเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่มันเสวยสุขทุกข์กนั่นเรียกว่าเวทนาดนั้นมันเกิดความจําจํำในสิ่งที่ดีมันกิดพยาญานที่จะ ท, ทําดีต่อไปจำในสิ่งที่ชั่วมันเกิพยัญชนะ ทำชั่วต่อไปผู้ทำชั่วเหตุ น, นั้นเองว่านามธรรมนะั้นเข้ามาไปยุบ ก, กันเข้ากับรูปธรร ม, าามและยังค่อยสร้างคุณงามความดีต่อไปได้อันนี้ขั้นที่จะต่อไปหาคุณงา ม, ค, งามความดีวิเศษอิสโสยิ่งขึ้นไปแต่ในผนที่สุดทั้งรูปธรรมนามธรร ม, าามก็เป็นอนัตตาลงใ น, ในสภาพเดียวกันว่ดมันเป็นที่ตั้งของมิปัจนาอีกเหมือนกัน ดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาถึงเรื่องอนตัตตลัคนาสูรูปังพิกขเวนิตารูปังพิคเวนิจังแต่ว่าที่เราพูดกันนะพระไตรลักษณ์นั้นนะ่ะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพูดถึงเรื่องของไม่เที่ยงใช่ก่อนแล้วยังพูดถึงเรื่องกายนี่เป็นทุกข์แล้วยังพูดถึงเรื่องกานนกยกานี่เป็นอนัตตาธรรมดาคนมันเห็นได้ง่ายกันอย่างนี้ คือเห็นเป็นของไม่เที่ยงใครๆก็เห็นทั้งหมดเรื่องทุกข์ใครๆก็เห็นทั้งหมดแต่อณาตานี่เห็นไในยากศาสนาสมัยครั้งพุทธก่อนๆครั้งพุทธกาลคือว่ามีพวกฤาษีพวกนักพจนเพนพจนเพญสถาธรรมต่างๆบอมเพนฌานสมาธิสมบั ต, สบติสอนกันหมดทั้งเรื่องเอของไม่เที่ยงเรื่องทุกข์สอนกันได้แต่เรื่องอณาตานี่สอนไม่ถูก ทอน ไ, น, นไม่เห็นเคื่อนไม่เห็นมีศาสนาพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่เห็นอนัตตาที่เห็นอนัตตาเนี่ยเป็นตัวยิบศาสนาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาท่ออนานเรื่องอนัตตะคณาสุเรีงว่ารูปป้ปางพิคเวอนตตาขึ้นอนัตตก่อนเลยทีเดียวคือชัดเรื่องของไม่เที่ยงไอ้ของไม่ใช่ตัวตนใชได้ก่อน รูปปางพิเกเวนตารูปปัจจั ย, ยดั่งพิเกเวนตาภระวิสระนดั่งรูปป า, ายยงอวตารจะแสดงว่าถ้าหากรูปนี้เป็นของเราจริงๆจริงแล้วต้องอยู่ในบังคับท้องเราว่าได้สอนฝังอันนี้ถ้ารูปมันไม่ใช่ของเรานี่ยมันยังเป็นไปเพื่อความวิปปินามแปปวนวปรูปการ ต, ต่างๆผู้ที่ภาวนาทั้งหลายถ้าหากไปชัดเดี่ตนเองแล้วนั่นจะเห็นตามแนวนี้ทีเดียว ขึ้นอนัตาตาก่อนเพราะภาวนาลงไปถ้าเห็นชัดแล้วต้องชัดอนัตตาก่อนอันนี้จังต้องทีหลังทุกขังอันนี้จังต้องทีหลังนั่นแหละเป็นเครื่องวัดวิปัสสนาหนึ่งที่เราภาวนาที่จะเห็นว่าเป็นถูกตามแนววิปัสสนาหรือไม่จะเห็นในตรงนั้นถ้าหากเรายังเห็นอันนี้จังเห็นทุกขังอนัตต์อยู่ กับปัญญาเหมือนกันได้เรียวกว่าปัญญาขั้นสมถะถ้าหากปัญญาขั้นนี้พัฒนาต้องเห็นตาชัดก่อนแล้วจึงค่อยมาเห็นในทุกขังอันนี้จังอันเดียวกันนั่นแหละเห็นอันหนึ่งเรีย ก, กว่าเห็นปฏิวัตเรีย ก, กว่าเห็นอนุวัตคือเห็นตาอนุโลมเห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นปฏิวัตคือมากราบมากราบกันอันนี้ว่า อธิบายมายืดยาวกล่าวปมากมายเดี๋ยวก็จะลืมหลักคือว่าตั้งหลักไว้คือตัวอนัตตาไอคือตัวธาตุอันเดียวดีละให้เห็นชัดโดยตนเองเชื่อมันโดยตนเองเจีมแจ้งโดยตนเองแล้วเป็นอนัตตาขึ้นมาก่อนใช่ไหผู้เห็นอย่างนี้เป็นอ น, นว่าเห็นตามทาำคาสองพระเจชาเรียกว่าเราอ่านพระธรรมคาสองพระองค์ถูกต้อง จึงเป็ของหนาคนเชื่อและนำพอพูดปฏิบัติเอาเองนี่การฟังธรรมเทศนาวันนี้เป็นวันสรุปรวมเจ้าของธรรมะทั้งปวงหมดตลอดพรรษาทเทศนามาเพราะฉะนั้นทุกๆคนอย่าสุพากันหลงลืมว่าพระธรรมคําสอนมาอยู่ที่อื่นทั้งเข้าใจอยู่ในตัวของตนหาก็กเรายังพิจารณาให้เห็นและ ย, ยังไม่ทันเป็นก็อย่าไปโทษพระธรรมคำสอนพระเจ้าว่าเปกของไม่ดีเพรามเป็จริงก็เป็ของจริงอยู่แล้ว ถูกต้องอยู่แล้วแต่เราเนี่ยเมท่อทำไม่ทันถูกเราพยายามที่จะทำให้มันถูกต้องก็เป็นพอกันเรื่องพระธรรมมีครบบิมูรลบรท ด, บดู์หมดเหมือนกับหนังสือที่มีอยู่ในตู้ในคัมภีร์เมื่อเราอ่านไม่ได้อยจะไปโทษหนังสือว่าตัวเขามันเลอเรือนหรือว่าเขาเขียนไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกแท้จริงตัวของเราเองมันอ่นอานไม่ได้ถ้าอ่านได้แล้วถึงผิดบ้าพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่มเติมได้ นี่เพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากันตั้งใจพิจารณาถึงเรื่องธรรมะเท่าที่อธิบายมานี้ก็จะพอเป็นเครื่องนำทางพุทธปฏิบัติให้ถึงซึ่งความจริงตามความสามารถของตนทุกๆคนโดยในอธิบายมาด้วยประ ก, กาศอะไระนี้